เดี๋ยววนนี้มีคาถามเป็นภาษาอังกฤษ จ, จะมีช่วงถามตอบคาถามเป็นภาษาอังกฤษประมาณ3โมง10ไปจนถึงเวลาเลิกยันช่วงแรกนี้ตั้งแต่2โมงถึงประมาณ3โมง10ก็จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกจะพูดธรรมะเหมือนปกติแต่ จะพูดประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็จะให้ท่านที่ต้องการถามคําถามถามหรือส่งคําถามเข้ามาได้ดังนั้นตอนนี้ถ้าใครมีคําถามก็ทยอยส่งคําถามเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวประมาณสักสองโมงครึ่งจะเริ่มตอบคําถาม แล้วประมาณสามโมงสิบก็จะเป็นภาษาอังกฤษมีคนส่งคำถามเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษประมาณยี่สิบหกคำถามด้วยกันก็เลยต้องขอแบ่งเวลาหน่อยวันนี้คำถามมันก็เป็นเป็นเป็นบุญเป็นกุศล ในมงคลละสูตรท่านแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกะลมุตตังการการสนทนาธรรมการถามตอบคำถามรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากบางครั้งฟังแล้ว อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจผิดได้หรือเข้าใจแต่ไม่มั่นไม่มั่นใจก็ต้องถามปรึกษากันบางทีต้องถามหลายๆแห่งเพื่อจะได้ดูว่าคำตอบที่จะได้รับนี้ตรงกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้ยืนยันว่า ความเข้าใจของเราถูกต้องหรือไม่ความเข้าใจก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นธรรมที่สำคัญมากคือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเห็นผิดมันก็จะพาให้กระบวนการไปผิดหมดเลยเหมือนดูแผนที่ผิดเนี่ยดูวันที่ผิดเนี่ยมันก็ทำให้ มันไปทางผิดไปเอาแผนที่ที่ล้าสมัยแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วถนนสายใหม่เกิดขึ้นแล้วหรือเมืองเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วพอเราไปตามแผนที่เก่าเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเราจรึงต้อง มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถามแล้วได้คำตอบเหมือนเหมือนกันว่าใช่อันนี้เราก็จะได้มีความมั่นใจเช่นมรรคแปดนี้มีอะไรบ้างเราไป หาคนคว้าดูตามแหล่งต่างๆก็จะเห็นว่ามีเหมือนกันหมดมรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรความเห็นชอบสัมมาสังกรปรก็ความดำริชอบหรือความคิดชอบสัมมากรรมันโตก็คือการกระทาชอบสัมมาวาจาก็คือการพูด ชอบสมมาอาชิโร อ, อาชีพชอบสมมาวายามโมความภาคเพียรชอบสมมาสติสมมาสมาธิอันนี้คือมรรคที่มีองแปดที่เมื่อย่อส่วนลงมาก็เหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือสามมากรรมโตสมมา วาจาสัมมาอาชีโวการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องอันนี้อยู่ในกลุ่มของศีลสมาวายาโมสัมาสติสัมมาสมาธิอันนี้อยู่ในกลุ่มของสมาธิการจะฝึกสมาธิได้ต้องมีความเพียรชอบความเพียรชอบชอบอย่างไรถูกต้องอย่างไร ก็เพียเจริญสติให้เกิดสัมมาสติขึ้นมาเมื่อมีสัมมาสติก็จะสามารถนั่งสมาธิทำให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาได้ อ, อันนี้เป็นกลุ่มของสมาธิมีองค์ประกอบอยู่สามสา ม, มาวายาโมวความภาคเพียนที่ถูกต้องภาคเพียนนันภาคเพียนภาคเพียนทำอะไรภาคเพียน สร้างสตินี่สร้างสติให้เกิดเป็นสัมมาสติเมื่อได้สัมมาสตินั่งสมาธิจิตก็จะสงบเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาก็จะเป็นสัมมาสมาธิเอพอได้สัมมาสมาธิแล้วก็จะสามารถไปเจริญสัมมาทิติสัมมาสังกปได้อก็ไป ไสร้างความเห็นที่ถูกต้องด้วยการพิจารณาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์อ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาควบคุมบังคับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นสิ่งของจะเป็นบุคคลจะเป็นเหตุการณ์จะเป็นดินฟ้าอากาศจะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าภูเขาอะไรต่างๆลนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสม อ, อมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อม มีดีมีไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้เรารู้ว่ามันเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปเปลี่ยนมันตามความต้องการของเราได้มันจึงทำให้เราทุกเวลาเราอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรา แต่มันไม่มไม่เป็นไปตามที่เราอยากเช่นร่างกายของพวกเราเราก็อยากให้อยู่กันไปนานๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีหรือของคนที่เรารักก็ดีแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เที่ยงร่างกายของทุกคนทั้งของเราของเขาก็ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บมีตายตามมาตามลำดับจะมาเร็วมาช้ามาอันไหนมาก่อนก็ไม่แน่นอนบางทียังไม่ทันแก่ยังไม่ทันเจ็บความตายมาก่อนก็มีตายดูวบัติเหตุยังไม่แก่ยังไม่เจ็บแต่ไปประสบอุบัติเหตุก็ห้ามไม่ได้อนาตตา ไม่มีใครห้ามไดออ้พออยากให้เขาไม่ตายก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเวลาที่เขาตายไปแล้วออ น, นี้คือสัมมาทิฏฐิต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะการไม่พิจารณาจะทําให้เราลืม เ, ออเราชอบลืมกันเรื่องความจริงเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตา พอเห็นอะไรชอบขึ้นมาก็อยากได้อยากให้เป็นของเราแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นของเราไปได้นานสักเท่าไหร่จะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่มันจะต้องมีการพัดพากจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายแล้วเวลาจากกันมันจะรู้สึกอย่างไร มันก็จะรู้สึกเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจนั่นเองนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เพราะไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กันทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันเพราะเราไปเอาสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามานั่นเองเหมือนกับไปเอา เอายาพิษมาดืม่มแต่เราแต่เราไม่ได้ดูป้ายที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นยาพิษเราเห็นป้ายว่าเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มวิเศษเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่เราเดื่มกันเราไม่รู้ว่ามันเป็นยาพิษพอเราเดืม่มก็ไปแล้วมันก็ทำให้เร า, เาทุกข์ขึ้นมาอาจจะทำให้ท้องเสีย พอเรารู้ว่ามันท้องเสียแล้วแทนที่เราจะเข็ดเรากลับไม่เข็ดนะเดี๋ยวเราพออยากดื่มมันก็ไปหยิบมันมาดื่มอีกเหมือนได้แฟนมาเดี๋ยวแฟนจากไปเสียใจลืมไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็อยากได้แฟนคนใหม่นะพราะเราลืมเราลืมไปว่าแฟนที่เราจะได้หรือแฟนที่เราคนก่อนเขาไม่เที่ยง เขามีมามีไปมีการพัดเพ่าจากกันมีเกิดมีดับเราจึงต้องหมั่นพิจารณากันอยู่เรื่อยๆพิจารณาก็คือให้เราลึกถึงมันอยู่เรื่อยๆนั่นเองเช่นพระพุทธเจ้าทรงให้เราเราลึกว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพัดพาดจากกันเป็นธรรมดาลงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจของพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะพระพุทธเจ้ารู้ทันรู้ว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็เลยไม่ไปหลงไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองความทุกข์เกิดจากความอยากของเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเรารู้ว่าอยากยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยาก ถ้าเรามีสัมมาสมาธิเราก็จะมีกำลังหยุดความอยากได้แต่ตอนนี้พวกเราไม่มีสัมมาสมาธิกันถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็จะอดอยากไม่ได้อดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แล้วก็ต้องทุกข์เวลาที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเพียงแต่คิดเท่านั้นยังไม่เกิดขึ้น เราก็ไม่สบายใจแล้วเราก็ทุกข์กันขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิกันมาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เป็นสัมมาสมาธิอุเบกขาคือสัมมาสมาธิถ้ามีมอุเบกขาแล้วใจเราจะเฉยใจเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่อยากพอ เห็นร่างกายแก่ก็เฉยเห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยเห็นร่างกายตายก็เฉยไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามต่อไปของตนเองก็เฉยได้ถ้ามีสัมมาสมาธิเนีอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราขาดกันพวกเรายัางไม่ได้มาฝึกสมาธิกันเรามาเพียงแต่ฟังเทศฟังธรรมกัน เราได้ปัญญาเราได้ตายรักได้สัมมาทิฏฐิได้ความเห็นชอบความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่เราทําใจไม่ได้เราทําใจให้รับกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้รับกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆไม่ได้ เรายังอยากให้สิ่งต่างๆเที่ยงแท้แน่นอนอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆถ้าเรามาฝึกสมาธิต่อไปจิตของเราจะเฉยจะไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆจิตของเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเกิดอานิจจังขึ้นมาเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการพัดพรากจากกันขึ้นมา เราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เราห้ามเหตุการณ์ไม่ได้ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราไม่ให้ไปเศร้าโศกเสียใจไม่ให้ไปทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้เพราะเราฝึกสติฝึกสมาธิกันนั่นเอง อันนี้คือเหตุผลทำไมจึงต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิกันการจะฝึกสติฝึกสมาธิก็ต้องไปหาที่วิเวก ค, คือที่สงบสงดห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ใกล้กับบุคคลก็จะถูกเหตุการณ์และบุคคลนั้นดึงดูดจิตใจไป ทำให้ไม่สามารถจเจริญสติได้จเจริญสติแบบสัมมาสติคือการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยการระเลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสตินี้มีสองแบบสติแบบสัมมาสติกับ ส, สติแบบมิจฉาสติสติมิจฉาสติเป็นยังไง ก็เป็นสตทิที่อยู่กับเรื่องหนึ่งแต่ไม่หยุดคิดอยู่กับเช่นการทำงานเวลาเราทำงานเราก็มีสติอยู่กับงานที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดเช่นเราต้องคิดบัญชีคิดวางแผนคิดอะไรต่างๆเราก็มีสติอยู่กับงานนั้นอันนี้เรียกว่ามีสติแต่มีสติที่ไม่ชอบ เป็นสติที่ไม่สามารถทำให้เกิดสัมมาส ม, มาธิขึ้นมาได้เวลาไปนั่งสมาธิจิตก็จะคิดต่อถึงแม้ให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับพุทโธมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยมันก็จะทำให้จิตไม่เข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นสติที่ไม่ชอบไม่ถูกต้อง สติที่ชอบสติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็เป็นสติที่ไม่คิดปรุงแต่งนั่นเองรู้อยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่แต่ไม่คิดไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องไม่มีงานทำถึงจะสร้างสติแบบนี้ได้ถ้ายังต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดอยู่จะมาฝึกสติแบบนี้ไม่ได้การจะมาฝึกสติแบบนี้เราจึงมากจะต้อง รอวันหยุดทำงานแล้วเรามีเวลามีสถานที่ที่เราจะได้ไปอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจแล้วเราก็จะได้คอยควบคุมความคิดได้เพราะเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรในวันนั้นคิดแค่เครื่องเล็กๆน้ยนอยๆใช่ไหมเดี๋ยวจะต่อไปนี้จะทำอะไรเวลาทำก็ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาอาบน้ำก็ไม่ต้องคิด ก็เพียงแต่รู้ว่ากำลังอาบน้ำเท่านั้นเองเรื่องเวลารับประทานอาหารก็ไม่ต้องคิดให้รู้เฉยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจจะคิดก็ให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธช่วยก็ได้เช่นเรากำลังเดินจงกรมให้มันยดเดอยู่กับการเดิน ดูที่เทา้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดี๋ยววับไปคิดถึงคนนั้นเดี๋ยววับไปคิดถึงคนนี้ถ้ามันวับไปบ่อยๆก็ลองใช้พุทธโธมาช่วยก็ได้เดินไปแทนที่จะดูเทา้าก็บริกรรมพุทธโธไปแทนพุทธโธพุทธโธเดินยาวเท้าควบคู่กับพุทโธก็ได้ก้าวเทา้าทีกับพุทโธทีหนึ่งซ้ายกับพุทโธขวากับพุทโธเอ อันนี้ก็จะช่วยทําให้ใจหยุดคิดได้เราต้องการหยุดคิดเราถึงจะได้สัมมาสมาธิจิตจะเป็นสัมมาสมาธิเป็นอุเบกขาเป็นสุขได้นี้ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งการจะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็ต้องมีสัมมาสติเป็นผู้นําไปถ้าไม่มีสติแล้วใจก็จะลอยใจจะคิดเรื่อยเปยื่อย คิดไปไม่มีวันหยุดแม้แต่นอนหลับก็ยังคิดต่อความคิดตอนที่เรานอนหลับก็เป็นความฝันนี่เองอ น, นี่คือเรื่องของมรรคแปดถ้าเราไปศึกษาตามตามสำนักปฏิบัติต่างๆเขาจะต้องสอนมรรคแปดกันแต่ก็อาจจะไม่สอนครบปัญหา บางทีเขาเน้นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางแห่งก็เน้นเรื่องสัมมาสติก่อนให้เดินหนอก้าวหนาะวางหนอะทาอะไรก็ให้มีสติไปบางสํานักก็เน้นทางปัญญาวิปัจนาะไม่ได้เน้นเรื่องส ม, มาธิเช่นไปเวียนอภิธรรมก็จะให้พิจรณาแต่ ไตรลักษณ์พิจารณาเรื่องของปัญญาอันนี้ถ้าไม่มีองค์ทั้งแปดองค์มารวมกันจะไม่สามารถทำภารกิจที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้กับเราให้ทำได้คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจต้อง มีครบทั้ง8ปดองค์หรือสามสามส่วนคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องมีเพราะถ้าไม่มีศีลจะไม่มีโอกาสที่จะมาเจริญสมาธิกันนั่นเองถึงแม้มีศีลศีลห้าก็ยังไม่พอศีลห้าก็ช่วยให้เราไม่ไปมีเรื่องราวไม่ต้องไปมีปัญหากับ บุคคลต่างๆหรือไม่ต้องไปไปติดคุกติดตารางาถ้าเราไม่รักษาสีนหน้าเราก็จะเดี๋ยวก็จะต้องไปมีเรื่องมีราวแล้วก็จะทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้เราไม่สามารถที่จะฝึกสมาธิได้ดังนั้นขั้นต้นเราก็ต้องมีศีลก่อนอต้องฝึกศีลต้องมีศีลห้าก่อน แต่สีน่าก็ยังไม่พอที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะไปปริกวิเวกไปฝึกสมาสติฝึกสมาสมาธิเราต้องมีสีลแปดถึงจะมีเวลาเพราะถ้าเรามีแค่สีน่าเราก็ยังไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปทำกิจกรรมทางบันเทิงมาอรสพได้ เราก็จะไม่มีเวลามาปีกวิเวกนั่นเองไม่มีเวลามาจเจริญสัมมาสติทำใจให้หยุดคิดดังนั้นจำเป็นต้องมีทั้งหมดทั้งสามเนี่ยมีสัมมาสติมีมีมีศีล ม, มีสมาธิมีปัญญาเราจึงจะสามารถที่จะมา หยุดความอยากต่างๆได้เพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาจะไม่สามารถที่จะมาหยุดความอยากได้ถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็ยังจะทุกข์อยู่ ยังจะต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของมรรคแปดที่เราถ้าเราศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจส่วนไหนเราก็อาจจะต้องไปถามผู้ที่รู้เพราะการรู้แต่ชื่อนี้ยังไม่พอเพียง ยังต้องรู้ว่าวิธีที่จะทำให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมานี้ต้องทำอย่างไรเช่นจะทำอย่างไรให้เกิดศีลห้าขึ้นม า, าบางคนก็คิดว่าต้องไปหาพระ เ, เวลาจะรักษาศีลห้านี้ต้องไปสมาทานศีลห้าที่วัดก่อน อ, อันนี้ความจริงการสมาทานแปลว่าความ ศึกการการเรียนรู้และเพื่อนําเอาไปปฏิบัติถ้าเรายังไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเราก็ต้องไปหาผู้ที่รู้ศีลห้าซึ่งปกติก็ต้องไปหาพระเพราะพระเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยากจะรู้ว่าศีลห้ามีอะไร อยากจะรู้ว่ารักษาสีนห้ารักษาอย่างไรเราก็ต้องไปหาพระไปศึกษาแล้วพอเรารู้แล้วว่าการรักษาสีนห้ารักษาอย่างไรเราก็ไปรักษาของเราทีนี้เวลาเราจะรักษาสีนห้าวันไหนเราก็ไม่ต้องไปหาพระแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าวิธีรักษาสีนห้ามีทำอย่างไร เราเพียงแต่ตั้งจิตตั้งใจตั้งอธิษฐานขึ้นมาว่าเช่นวันนี้สมมุติว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วเราอยากจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงตลาดครบยี่บสี่ชั่วโมงครบหนึ่งวันหนึ่งคืนเราจะไม่เราจะรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัด อันนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้แล้วไม่ต้องไปวัดเพื่อที่จะไปขอสมาทานศีลจากพระไม่ต้องให้พระมาตั้งนโมมาตั้งพุทธทังสละนังกชามิแล้วก็มาบอกศีลห้าเป็นภาษาบาลีที่เราไม่เข้าใจบานาติปาตาเวรมณีบางทีเป็นคนไปขอศีลห้าไม่เข้าใจว่าศีลห้ามีอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นภาษาบาลีจะถามก็ไม่กล้าถามเก่งใจเก่งใจพระหรือกลัวว่าจะหาว่าโง่อกีกอก็เลยต้องโง่ต่อไปคนโง่ถ้ายอมรับว่าโง่ะจะเป็นคนที่ฉลาดได้แต่คนที่คิดว่าตนเองฉลาดไม่แสดงความโง่ให้ของตนให้แก่ผู้อื่นไม่ได้เนี่ยจะเป็นคนโง่ไปเรื่อย ยันยอมโง่เถิดเพื่อจะได้ฉลาดอย่าไปอายว่าเราเราโง่ถ้าเราโง่แล้วเราไม่ถามใครเราก็จะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่รู้ถามเถิดเพียงแต่ถามก็ให้มีกาลเทศะให้มีเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถามนี่คือกาเลนะธรรมสากัจฉา การสนทนาธรรมการถามตอบธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง mm. เพราะจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดความเห็นที่ถูกต้องจะได้รู้ว่าการการรักษาศีลนี้ไม่ต้องไปวัดทุกครั้ง mm. ไปครั้งเดียวก็พอหรือไม่ต้องไปเลยก็ได้เดี๋ยวนี้มีศีลในหนังสืออ่านในหนังสือก็ได้ อยากจะรู้ว่าศีลห้ามีอะไรก็อ่านดูในหนังสือเปิดในมือถือเนี่ยทุกอย่างเี๋ยวนี้อยู่ในกำมือหมดแล้วในมือเรานี่มีความรู้ทั้งหมดในโลกนี้อยู่ในมือถือเราแล้วเพียงแต่ขอให้เราถามเท่านั้นถาม g o เก l e หน่อยว่าศีลห้ามีอะไรเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาศีลห้ามีข้อที่หนึ่งไม่ฆ่ากันไม่ไม่ฆ่าสัตว์หรือมนุษย์เนี่ย ข้อสองไม่รักทรัพย์คือไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตถ้าเขาอนุญาตไม่ถือว่าเป็นการรักทรัพย์ถ้าขอก็แล้วเขาให้เช่นของเงินเขาแล้วเ้าให้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์เนี่ยทาไมพระจึงต้องมีการรับประเคนเพราะว่าการรับประเคนนี้จะได้เป็นการยืนยันว่าเขาให้เราไม่ได้ประโมยของเขา แต่เขาเขาของมาวางไว้เฉยๆแล้วเราไปหยิบมาเนี่ยเขาอาจจะมากล่าวหาเราได้ว่าเอาของเขาไปเช่นญาติโยมมานั่งนี้บางทีก็เอาโทรศัพท์วางไว้ข้างๆอย่างนี้คนคนนึงคิดว่าให้เขาเขามาหยิบไปอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะต้องถูกกล่าวหาเพราะเขาไม่ได้ให้แต่ถ้าเขายื่นมือหยิบของนี้ไปให้แล้วเขาก็สามารถอยืนยันได้ว่าออ่ เขาให้มาเขาหยิบหยิบให้เรากับมือเลยเนี่ยนี่เป็นทำไมประเพณีธรรมเนียมที่การถวายของพระต้องถวายกับมือเพราะว่าจะได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการขโมยเป็นการให้เพียงแต่ว่าบางกรณีที่เราไม่ไม่รับกับมือเพราะบางทีของมันใหญ่ รับไม่ไหวหรือของมันมากหรือเป็นของที่ไม่ตรงกับเวลาที่จะรับรเช่นอาหารตอนนี้รับไม่ได้ถวายได้อยู่ให้วางไว้เฉยๆแล้วก็จะให้ลูกศิษย์จัดการในวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์จะได้จัดมาถวายตอนเช้าจะรับอาหารนี่ต้องรับช่วงเช้าถึงเพลนเพีงจะรับได้ ถ้ารับตอนนี้แล้พวพรุ่งนี้เอาไปกินไม่ได้นะต้องสละสิทธิ์ยิ่งถึงมีให้มีการวางไว้เฉยๆแต่เข้าใจกันรู้กันว่าอันนี้เป็นการให้ไม่ได้เป็นการขโมยกันนี่ถือทำไมพระถึงต้องให้มีการประเคนของคือให้ให้หยิบให้กับมือเพื่อจะได้ไม่ไปไปกล่าวโทษพระเพราะ มันจะทำให้พระถูกจับเสกได้การลักทรัพย์นี้เป็นเป็นประราชิกเป็นโทษหนักของพระถ้าถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินนี่สมัยนั้นเขาว่าหนึ่งมาสกุกอันนี้ไม่ทราบ ว, ว่าประมาณเท่าไหร่หนึ่งมาสกุกเขาว่าเท่ากับทองคาถ้ามเมล็ดข้าวหนึ่งมาศกกนี่มเมล็ดข้าวทองคาขนาดมเมล็ดข้าวนี้ เป็นคุณเป็นค่าของเงินที่จะทําให้พระนี้ขาดจากการเป็นพระได้แต่ถ้าเขาหยิบให้กับมือนี่ยื่นให้กับมือก็ถ้าเป็นของที่พระรับกับมือไม่ได้ก็ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์นี่แล้วพระจงการก็ให้ลูกศิษย์เอามาให้ทีหลังได้อย่างนี้ก็จะไม่ถูกกล่าวหาว่าประลาชิกนั่นเอง อันนี้คือเรื่องของเรื่องของศีลแม้แต่อของพระพระก็มีศีลเหมือนของโยมเแต่โยมไม่มีโทษของโยมกับโทษของพระก็อาจจะคล้ายกันฮอย่างเช่นพระที่ไปขโมยเงินรับไปใช้อก็ถูกจับถูกตัดศีลจำคุกร้อยกว่าปีเห็นไหม อ, อันนี้ก็ถูกจับศึกด้วยเอเพราะถือว่าไป ชอโกงทรัพย์ของผู้อื่นมาหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลศีลข้อที่สองอันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราถามได้เช่นวันนี้ญาติโยมจะมาอยู่ที่ที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นจะต้องมาขอศีลจากพระไหมจะมาถือศีลแปดกันไม่จำเป็นหรอก ถ้าญาติโยมรู้แล้วว่าศีลแปดนี้อะไรพอเข้าที่พักก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะ <c oughs> รักษาศีลแปดตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเวลาที่ออกจากสถานที่นี้ไปอันนี้ก็ถือว่าเรามีการสมาทานแล้วคือมีการกำหนดเวลาของการรักษาศีลนั่นเอง การสมาธทานก็คือเป็นการกำหนดเวลาจากเวลานี้ถึงเวลานั้นเราจะรักษาศีลข้อนั้นข้อนี้นนเรียกว่าสมาทานการสมาทานศีล น, นี้ก็มีอยู่สามรูปแบบด้ยวยกันสมาทานศีลกัจากพระเช่นเวลาวันพระเราไปวัดก็จะมีพิธีให้ศีลกัน พระก็จะเป็นผู้นำกล่าวปานาติปาตาเวรมณีญาติโยมก็ว่าตามถ้าถ้าไม่รักษาอย่าว่าตามนะการว่าตามนี่เป็นเป็ น, ปนหมายความว่าเราจะรักษาศีลข้อนี้บางคนนี่พอมาถึงศีลข้อสามเขาก็ข้ามไปเพราะเขามีเมียน้อยหรือ บ, บางคนเย็นนี้จะไปงานเลี้ยง ข้อห้าเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดตามเขาก็สมาทานแค่สี่ข้ออันนี้แต่ถ้าพูดแล้วแสดงว่าเราลั่นวาจาสั จ, จวาจาละคือให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาศีลข้อต่างๆเหล่านี้เห็นนเวลาเราไปวัดถ้าวันนั้นเราไม่ไปเราไม่รักษาศีลแต่มีการมีการให้ศีล เราก็อย่าไปพูดตามพูดตามว่าเดี๋ยวเราจะโกหกตัวเองาบางทีเราไปงานเดี๋ยวนี้งานศพงานอะไรเขาก็มักจะมีให้ศีลกันทีนี้เราอาจจะคิดว่าเป็นแค่พิธีแต่ความจริงมันมันมันเป็นการให้สัจจะวาจาต่อพระสงฆ์องค์เจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ทํา ผิดข้อนั้นข้อนี้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้เราก็อย่าไปพูดตามเวลาท่านกล่าวปาณาติปาตาเวรมณีถ้าเรายังะตบยุกอยู่ยล้วก็อย่าไปกล่าวตามเพราะว่าจะทำให้เราโกหกตัวเองโกหกคนอื่นไม่เท่าไหรล่ละโกหกตัวเองนี่ขาดทุนเพราะเราเป็นคนที่จะต้องรับผลของการโกรหกของเราเอง อันนี้คือเรียกว่าสมาทานศีลถ้าเราอยากจะอาจจะเป็นครั้งแรกเราไม่รู้จักการรักษาศีลว่ารักษาอย่างไรมีศีลมีอะไรบ้างเราก็อาจจะไปที่วัดแล้วก็ไปสมาทานศีลกับพระแต่ถ้าท่านพูดเป็นภาษาบาลีไม่เข้าใจเราอาจจะต้องถามคนที่รู้ว่าภาษาบาลีนี้มีความหมายว่าอย่างไรศีลข้อที่หนึ่งแปลว่าอะไรข้อที่สองแปลว่าอะไร เพราะเราต้องเข้าใจความหมายเราถึงจะสามารถรักษาศีลได้อ น, นี่คือวิธีการทำให้มีศีลเกิดขึ้นวิธีแรกก็คือการสมาทานศีลวิธีที่สามก็คือการวิรัตคือเรากำหนดขึ้นมาเองวิรัติก็แปลว่าละเว้นเหมือนมังสวิรัตเนี่ยมังสวิรัตก็ละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ศีลวิรัตก็คือการการ ละเว้นจากการทำบาปอันนี้เราก็กำหนดขึ้นมาในใจเราได้เลยเช่นวันนี้อยากจะไม่ดื่มสุราหรือพรรษานี้ไม่อยากจะดืม่มโซราก็กำหนดศีลข้อห้าขึ้นมาว่าต่อไปนี้จะรักษาศีลข้อห้านี้ไปตลอดทั้งพรรษาก็ได้ศีลข้อห้าไปแล้วข้อหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าศีลวิรัติละเว้นจากการดื่มสุดาเหมือนกับละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ย นันละเว้นจากการมาทานเนื้อสัตว์เขาเรียกว่าบังสะวิรัติอันนี้สุราวิรัติละเว้นจากการดื่มสุราอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราเกิดการรักษาศีล ข, ขึ้นมาก็คือวิรัตแต่ว่าเราละเว้นด้วยตนด้วยความคิดของเราเองไม่ต้องไปหาพระไม่ต้องไปขอพระที่วัดก็ได้เช่นเราอยู่ในที่ที่ไม่มีวัดไม่มีพระจะทำยังไง ถ้าเราอยากจะรักษาศีลเราก็ต้องวิรัติตนเองกําหนดขึ้นมาส่วนศีลชนิดที่สามการที่ทําให้เกิดศีลชนิดที่สามขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าศีลธรรมชาติคําว่าศีลธรรมชาติเป็นยังไงก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตดวงนั้นที่จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดจิตที่จะเป็นธรรมชาติที่ไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดนี้ก็ต้องเป็นจิตของพระอริยบุคคละ ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นว่าการกระทําบาปนี้เป็นเหตุที่จะทําให้จิตต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนศรกายไปตกนรกเหมือนกับเราเห็นคุกเห็นว่าถ้าไปป้นป้นทองเดี๋ยวก็ถูกจํารวจจับหรือไม่งั้นก็ถูกเขาวิ วิสามันถ้าเราไม่อยากจะไปติดคุกไม่อยากจะไปวิสามันเราก็ไม่ไปปนทองกันอันนี้ก็เหมือนกันพระอริยบุคคลทุกๆองค์นี้จะไม่มีวันทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะไม่ต้องการให้จิตของท่านไปเกิดในอบายนั่นเองท่านเห็นอบายว่าเกิดจากการทำบาปนี่คือเรื่องของศีลมีสามชนิดด้วยกันอ่า สำหรับผู้เริ่มต้นบิ๊กเกนเนอร์อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าศีลมีอะไรก็ต้องไปหาพระหรือไปศึกษาจากหนังสือธรรมะดูคำแปลว่าศีลข้อที่หนึ่งมีความแปลว่าลายห้ามฆ่าสัตว์เนข้อที่สองห้ามลักทรัพย์เมื่อรู้แล้วอยากจะรักษาก็ถ้ามีพระให้ศีลก็รับศีลไปถ้าไม่มีก็วิรัตไปถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็ รู้อยู่กระจายว่าทำบาปไม่ได้เพราะไม่ต้องการที่จะไปเกิดในอบายนี่เกิดสิ่งที่เราอาจจะต้องถามกันเพราะบางทีพระท่านก็พูดบ้างไม่พูดบ้างบางทีเราได้ยินบางทีเราไม่ได้ยินพอเราไม่เข้าใจก็มีโอกาสถามได้อย่างตอนนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ที่ท่านที่ต้องการถามปัญหา ส่งคำถามเข้ามาได้ถ้าอยู่ที่บ้านหรือถ้าอยู่ที่นี่อยากจะถามจะเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้หรือจะขึ้นมาที่ศาลานี้พูดผ่านทางไมโครโฟนก็ได้มีหลายวิธีเหมือนกันวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่ล้ววันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยเจ็ดสิบแปดครับโดยประมาณแล้วก็ YouTube หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ครับแล้วก็วิทยุออนไลน์สามสิบหกครับขบวนนี้ประมาณสักสามสิบครับรวมงานก็สามสิบแปดครับรวมงานก็เกือบหกร้อยก็เป็ น, เนปริมาณปกติของที่นี่อย่านี้มีผู้ติดตามตามสื่อต่างๆตามทิศจากทิศทางต่างๆจากสถานที่ต่างๆประมาณหกร้อยคนต่อวัน ถ้ามีคำถามก็มีไหมมีครับถ้ามีก็ถามเดี๋ยวจะถามไปรประมาณสาโมงเสร็จคำถามจากคุณประดิษฐ์กราบเรียนถามพระอาจารย์เคยบวชแล้วทำผิดสังฆทิเศษแล้วไม่ได้ปรงอาบัตจะเป็นยังไงแล้วจะทำอย่างไรจะปิดมรรคผลนิพพานไหมครับ อก็คุณสึกมานี่ก็เท่ากับว่าคุณได้ถูกลงโทษแล้วเพราะว่ า, ามันเหมือนกับผิดประลาชิกเพียงแต่ว่ามันมันความจริงใจว่าถูกถูกลงโทษแล้วก็ไม่เชิงแต่คุณพ้นสถานภาพจากการเป็นพระไปแล้วยันบาปข้อนั้นก็ยังไม่ได้รับการกำจัด หรือจัดการถ้าคุณกลับไปบวชใหม่คุณก็จะต้องไปาสารภาพแล้วก็ไปรับใช้บาปอันนั้นข้อผิดอันนั้นแต่ถ้ายังไม่ได้ไปบวชก็ไปทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับรอลงอาญาไปก่อนรอเวลาให้ไปรับอาญาก่อนถ้าคุณกลับไปบวชเมื่อไหร่คุณก็ต้องไปกลับไป กลับไปใช้หรือไปทํากรรมนั้นไปรับใช้กรรมนั้นคือไปบงงบัติหรือว่าไปไปอยู่กรรมถ้าเป็นกรรมหนักเขาก็ให้อยู่กรรมถ้าเป็นกรรมเบาเขาก็ให้บ่งอบัตรคําถามจากคุณพิมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อวานนี้หนูได้ฟังพระอาจารย์เทศว่าเรื่องบุญหมดค่ะ ถามว่าถ้าเราหยุดทาบุญเมื่อไรและถ้ากรรมมันตามเราทันเราก็จะมีชีวิตที่ไม่มีความสุขใช่ไหมเจ้าคะเพราะเหตุนี้เราถึงต้องทาบุญไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะคือทาบุญกับทาบาปก็เปรียบเหมือนกับบัญชีร า, ายรับกับรายจ่ายนะถ้าเราทำมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเราก็มีกาไร ถ้าเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ถือว่าเราขาดทุนบุญกับบาปก็เหมือนกันบุญก็เหมือนรายรับบาปก็เป็นเหมือนรายจ่ายเป็นหนี้ฉะนั้นเราต้องพยายามให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายแล้วเราก็จะได้ไม่ขาดทุนแล้วเราจะได้มีกำไรเรากำลังนี้แหละไปเที่ยวกันไปซื้อของอะไรที่เราอยากจะใช้กันได้ แต่ถ้าเราขาดทุนเราก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปซื้อของต่างๆที่เราอยากจะซื้อไม่ได้ออแล้วเรายัางต้องไปใช้หนี้ออบาปจึงเป็นหนี้เป็นเหมือนหนี้บุญเป็นเหมือนรายรับออยิ่งนั้นเราจึงต้องพยายามทำรายรับให้หมันมากกว่ารายจ่ายออถ้าเราไม่ทำบาปเลยเราไม่ทำบุญเลยก็ได้ออสมมติถ้าเราไม่มีรายจ่ายเลยเราไม่ต้องมีรายรับก็ได้ แต่ถ้าเรามีรายจ่ายเราก็ต้องมีรายรับเพื่อที่จะมาจ่ายหนี้ต่างๆนี่คือเรื่องของบุญของบาปเราจึงควรทําบุญให้มากกว่าบาปเพราะตอนที่เราตายนี้เป็นเวลาที่เขาจะมาคิดบัญชีบุญกับบาปจะมาคิดบัญชีจะเป็นผู้ที่จะมาดึงจิตให้ไปรับผลบุญหรือรับผลบาป ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายแล้วก็จะไปใช้บุญหรือใช้บาปจนกระทั่งบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันเมื่อรายรับรายจ่ายเท่ากันก็หมายความว่าไม่มีกำไรไม่มีหนี้ถ้าไปเที่ยวเงินหมดก็ต้องกลับมา ทำงานใหม่พอบุญหมดบุญที่ส่งเราไปสวรรค์มันหมดมันเหลือเหลือเท่ากับบาปที่เราได้ทำไว้บุญก็ไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ยังไม่สามารถดึงให้เราไปอาบายได้พอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันตอนนั้นเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอมาเกิดปั๊บเราก็เริ่มทําบุญทำบาปใหม่ต่อ แล้วตอนที่เราตายบุญกับบาปก็จะมาคิดบัญชีกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> จนกว่าเราจะสามารถที่จะปฏิบัติทำขั้นสูง <Yeah. S 1> คือภาวนาให้ได้ถ้าเราภาวนาได้เราก็จะกำจัดตัวที่ดึงให้เราไปเกิด <Yeah. S 1> พอเรากำจัดตัวที่ไปเกิดได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป คำถามจากคุณเจนนี่กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะหนูอยากถามว่าอาการดับเป็นอย่างไรอยากให้พระอาจารย์อธิบายค่ะดับอะไรละ่ะมันมีหลายดับนะงั้นมัน ต, ต้องเขียนมาใหม่กันแล้วกันนอยากจะว่าอาการดับอะไรดับละ่ะไฟดับหรือไฟดับก็เดี๋ยวปิดสวิต ก, ก็ดับแล้ว คำถามจากคุณพลอยไพรินกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะจะปฏิบัติทำในขณะทํางานควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ทําอะไรไม่ได้มากเวลาทํางานถ้ามีสติอยู่กับงานยังต้องใช้ความคิดกับงานอยู่มันก็ไม่เป็นมันไม่เป็นสติที่ที่ถูกต้องไม่ได้เป็นสติที่จะมาสนับสนุนการนั่งสมาธิเห็นการทํางานนี้ ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมคนที่อยากจะปฏิบัติธรรมจึงต้องหยุดการทํางานคําถามจากคุณวัศน์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการละสักกายติได้กับการละขันห้าได้เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมครับตัวเดียวกันเนี่ยสักกายติก็คือไปความไปเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเรา ซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราพอเรามีปัญญาเราก็จะพิจารณาเห็นว่าขันห้าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตก็คือไม่ใช่ของเราพอเราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราก็ละส ก, กายทิฏฐิได้แล้วเราก็จะปล่อยขันห้าคือร่างกายเวทนาได้ร่างกายแก่ก็ ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บ s, เวทนาจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนคนอื่นตายเนื่องเราเดือดร้อนไหมเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราใช่ไหะร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเจริญปัญญาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเพียงแต่ว่าเราเป็นคนเอามาใช้มันเท่านั้นเอง เหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ของคนอื่นพังเราเดือดร้อนไหแต่รถของเราพังเดือดร้อนไหมเพราะอะไรเพราะเราไปยังไปยากให้มันไม่พังนั่นเองแต่มันก็เป็นรถยนต์เหมือนกันเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเราของคนในนี้เหมือนกันหมดไม่เป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นท้องดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟ ้เดี๋ยวดินน้าเดี๋ยวก็จะกลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟไปถ้าคนฉลาดก็ปล่อยวางคือไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันไม่ไปมันจะ ต, ต้องร่มสลายมันจะต้องกลายเป็นดินน้ํำลมไฟไปอันนี้เรียกว่าการมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิที่จะเอามาละศักกายะทิฏฐินี่เองอ คำถามจากคุณครูแดงกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการทำสมาธิจําเป็นต้องนั่งเป็นเวลานานหรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการผลมากผลน้อยถ้าต้องการผลมากก็ต้องนั่งนานถ้าต้องการผลน้อยก็นั่งน้อยเหมือนรับประทานอาหารถ้าต้องการอิ่มมากก็ต้องรับประทานมากถ้าไม่ต้องการอิ่มมาก พอจะกินอาหารรองท้องก็ไม่ต้องกินมากอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกสมาธิก็เป็นการให้อาหารแก่จิตใจให้ความสุขความสงบให้ความอิ่มแก่จิตใจยิ่งนั่งได้มากยิ่งนั่งได้นานก็จะได้ความอิ่มใจสุขใจมากขึ้นคำถามจากคุณพิทักษ์กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับ หากเรามีโอกาสได้ร่วมพิธีที่มีการเจริญพระพุทธมนต์เราควรกําหนดใจอย่างไรในขณะที่รับฟังพระพุทธมนต์ครับและหากเราสวดมนต์ในบทนั้นได้เราสามารถสวดได้ไหมครับคือความจริงไปร่วมพิธีนี้มันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่มันได้ตรงที่ว่าแทนที่เราจะไปทําอะไรอย่างอื่นเราจะได้มานั่งเฉยๆกัน แต่ถ้านั่งแล้วถ้าใจเรายังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการไปนั่งร่วมพิธีพุทธมนต์นี้ก็เป็นอุบายให้เราแทนที่จะไปนั่งเล่นเกมไปนั่งดูละครก็ให้มานั่งฟังพระ ส, สวดกันแล้วถ้าเราสวดตามในใจได้ก็สวดไปถ้าสวดไม่ได้ก็ฟังเสียงสวดไปเหมือนฟังเทศไปแล้วก็จะทำให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่าง ก็จะทําให้เกิดสัมมาสติขึ้นมาอันนี้ก็อันนี้สงจากการไปร่วมพิธีกรรมถ้าเรานั่งเฉยๆเช่นเรามาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เหมือนกันเอเรานั่งเฉยๆเราฟังแต่ดีตรงที่ว่ามันเป็นภาษาไทยฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจได้ความรู้แต่ถ้าเราไปฟังเขาสวดภาษาบาลีเราจะไม่ได้ความรู้อ เราก็จะเพียงแต่อาศัยเสียงสวดนั้นเป็นอารมณ์กล่อมใจให้ใจนิ่งสงบไม่ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆคำถามจากคุณสมเกียรติกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับในมรรคแปดข้อไหนที่จะต้องมีก่อนครับใช่ข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบใช่ไหมครับคือสัมมาทิฏฐิมันมีหลายระดับไง มีระดับอนุบาลระดับปถมระดับมัธยมเหมือนที่เราไปโรงเรียนนี้เราก็ไปเรียนสัมมาทิฏฐิกันทางโลกระดับปถมก็คือให้รู้ว่ากอไก่ขอไข่เป็นอย่างไรก่อนให้รู้ว่าหนึ่งสองสามเป็นอะไรก่อนอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิระดับแรก แล้วพอเราไปเรียนได้ผ่านระดับต้นไปเราก็ไปเรียนระดับที่สองต่อไประดับปถมรู้จักอ่านหนังสือรู้จักเขียนหนังสือได้ตอนตอน้นต้อรู้จกักกอไก่ขอไก่ก่อนต้องรู้จักสะกดรู้จักอ่านก่อนพอรู้แล้วเราก็ไปสู่สมาทิฏิขั้นที่สองก็คือการการเขียนการอ่านอันนี้ก็เหมือนกันสมาทิฏฐิก็มีหลายระดับมรแปดมีหลายระดับ มักแประดับต้นก็คือสัมมาทิฏฐิระดับต้นก็คือต้องมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่จะสั่งจะสอนให้เรานี้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิระดับสูงขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิพอเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรม พอได้ฟังเทศสังธรรมท่านก็จะสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันบ้างท่านก็สอนให้เราทำบุญเพราะบุญนี้มีจริงบาปมีจริงมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราบุญเป็นของเย็นบาปเป็นของร้อนอถ้าเราอยากจะให้ใจเราเย็นสบายเราก็ต้องทำบุญถ้าเราไม่อยากจะให้ใจเราร้อนเราก็ต้องละเว้นจากการทำบาปอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิ ระดับตามลำดับขึ้นไปได้เลยจนถึงสัมมาทิฐิระดับสูงสุดก็คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจ ส, สี่เนี่ยยิ่งมักแปดมันไปพร้อมๆกันนี่แหะแต่มันมันมันเป็นแต่ละขั้นของมันออทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นที่สัมมาทิฐิก่อนต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนถึงจะพาเราไปสู่การกระทําที่ถูกต้องได้ขั้นอนุบาลก็เห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเป็นผู้ที่รู้ ความจริงที่จะสอนเราให้เราดูดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิขั้นที่หนึ่งระดับแรกระดับอนุบาลพอเรารู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นําทางมันก็จะพาเราไปสู่การศึกษาปฏิบัติตามต่อไปแล้วท่านก็จะสอนสัมมาทิฏฐิระดับที่สองที่สามไปตามลําดับจนถึงระดับสูงสุดคือใจหลัก คำถามจากคุณเคอรารเรียนถามขณะปฏิบัติสมาธิมักจะมีน้ำตาไหลโยมได้พิจารณาตัวเองก็ไม่ได้มีความทุกข์หรือสุขอะไรรู้สึกเฉยๆแต่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมีน้ำตาบ่อยๆทั้งๆที่ไม่ได้เป็นคนที่บ่อน้ำตาตื้นควรแก้ไขอย่างไรคะการมีน้ำตานีก็เป็นเรื่องธรรมดา มีหลายสาเหตุที่จะทำให้เกิดน้ำตาขึ้นมาได้เสียใจก็น้ำตาก็ไหลได้ดีใจน้ำตาก็ไหลได้จิตสงบก็น้ำตาก็ไหลได้จิตถูกควันเข้าตาก็น้ำตาก็ไหลได้ดังั้นเรื่องน้ำตาไหลไม่ไม่เป็นประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเราทุกข์หรือเปล่าถ้าเราทุกข์เราก็ควรจะแก้บางทีเราเศร้าโศกเสียใจแล้วรน้าตาไหลยอย่างนี้เราต้องแก้ แค่ด้วยปัญญาว่าเราทุกข์เพราะเราเราอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งที่เราสูญเสียไปพอเราสูญเสียเราก็ร้องไห้กันเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าทุกอย่างต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาต่อไปเราก็จะไม่ร้องไห้แต่ ถ, ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วน้ำตาไหลอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตที่มีความบอบบางหรือมีเซนสิตีต่อ การนั่งสมาธิก็ได้ก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราไม่ทุกข์ไม่อะไรก็เพียงแต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของจิตของเราว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกำจัดไม่ต้องทำอะไรถ้ามันไม่ได้ทำให้ระใจเราทุกข์ขึ้นมาคำถามจากคุณวีระพงษ์ท่านพระอาจารย์ครับคณิกะสมาธิมีลักษณะอย่างไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเราถึงคณิกะสมาธิแล้วและทำยากไหมครับออยากง่ายมันอยู่ที่สติของแต่ละคนคณิกะก็คือสงบแบบงูแลบลิ้นไงเหมือนจิตวุบลงไปนิ่งสงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมาเรียกว่าคณิกะสมาธิ ถ้า ป, ปันาสมาธิพอวูบลงไปแล้วก็นิ่งอยู่นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้รู้ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันจะรู้เพราะมันเป็นของที่เห็นได้ในจิตใจของเราเหมือนกินข้าวอิ่มกับไม่อิ่มนี่มันรู้ไม่ต้องไปถามใครแล้วว่าจะรู้ไม่ว่ากินข้าวแล้วอิ่มอย่างไรมันรู้เองอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่ปฏิบัติจะสัมผัสได้เอง เพียงแต่ขอให้มีสติเท่านั้นนะมันถึงจะสามารถทําให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ เ, เดี๋ยวสักสองสองคถามนะ เ, เดี๋ยวก็จะหยุดแล้วครับคำถามจากคุณพินโยกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมขอโอกาสสอบถามพระอาจารย์เรื่องการแยกจิตกับตัวความคิดเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติภาวนาครับ วิธีแยกขั้นต้นก็คือให้นั่งสมาธินั่นเองเวลานั่งสมาธิเราก็จะหยุดความคิดได้เมื่อหยุดความคิดก็จะเหลือแต่ความรู้ตัวรู้อันนี้ขั้นที่หนึ่งเมื่อเรารู้จากแยกความคิดออกจากความรู้แล้วต่อไปเราก็พยายามควบคุมความคิดอย่าให้คิดคิดเท่าที่จําเป็นและอย่าให้ไปคิดไปทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความคิดของเรา ที่คิดไปในทางความอยากต่างๆเนี่ยเราก็ต้องหยุดความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากเล้าใจของเราก็จะไม่ทุกข์อย่าไปอยากได้อยากเป็นอย่าไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญอย่าไปอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าเกิดความอยากเหล่านี้ต้องหยุดมันให้ได้ด้วยการมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นตายรักมันจะทาให้เราทุกข์ต่อไป มีไค่ะคำถามสุดท้ายก็แล้วกันครับคาถามสุดท้ายจากคุณพิษขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ครับการที่เราร่วมทำบุญกะถินเป็นเงินสดไม่ทราบว่าจะผิดพระวินัยไหมครับถ้าผิดเราจะบาปไหมครับ ไม่ทราบผิดยังไงก็คนก็ก็ใช้ทําเงินทําทําบุญด้วยเงินทองกันทั้งนั้นนี่เป็นพระถามหรือเปล่าไม่รู้พระก็ไม่บาป ถ, ถ้าถ้าพระให้ให้วายาวั จ, จกรผู้ถือเงินเอาไปมอบให้กับกองกระถินก็ไม่บาปทําบุญด้วยเงินไม่บาปบาปตรงที่ว่าเงินที่เราทําเออ ถ้าไปขโมยเงินมามันก็บาปตรงที่ไปขโมยเงินมาถึงแม้งเงินที่เราขโมยมาเอาไปทำบุญก็ไม่บาปอีกเหมือนกันการทำบุญก็เรื่องของการทำบุญการทำบาปก็เรื่องของการทำบาปอย่างนั้นจะบาปก็ต่อเมื่อเราไปขโมยเงินมาแต่ถ้าขโมยเงินที่เงินที่ขโมยมาเราไปทาบุญมันก็ยังเป็นบุญอยู่เหมือนกับเงินที่ไม่ได้ขโมยเพียงแต่ว่ามันมีโทษตามมาเพราะเราไปขโมยเงินมาเท่านั้นเอง แล้วนะวันนี้สำหรับการถามตอบปัญหาและธรรมะภาคภาษาไทยก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริป ah ุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมจโตสเพปุเรมตูสังกปา จันโทปันะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิทีคายุโกภวะ อะพิวาทนสีฤทสานิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภลัง